มีสองลักษณะปัญญาที่อาศัยความคิดกับปัญญาที่อาศัยความรู้ <c oughs> ปัญญาที่อาศัยจิตปัญญาที่อาศัยลดเสียงต่ำแล้วปัญญาที่อาศัยความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัว <c oughs> <c oughs> ปัญญาที่อาศัยจิตอาศัยความคิดเรียกว่าเป็นโลกิยะปัญญาต้องอาศัยนำมรรูป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 อันนี้ก็เรียกวันนี้เราเป็นการถอดบทเรียนนะที่เราทำไปทั้งวันเนี่ยเราไปทำบทเรียนพอตัวเย็ยนมาเราก็มาถอดบทเรียนว่าที่เราทำไปนี้ว่าทั้งวันเนี่ยเราไดา้บทเรียนได้สาระจากบทเรียนอะไรบ้างสมมุติวันนี้เราไปครูให้ไปทำการบ้านเราก็ไปทำการบ้าน ก็ทำกันบ้านครูก็มาตรวจการบ้านว่าถูกหรือไม่ถูกะที่ให้ไปตอนเช้าเนี่ยก็มาการถูกกับผิดนี่ก็แล้ครูก็ทําหน้าที่ถอดถอดบทเรียนให้เห็นว่าสิ่งที่ทําไปใช่หรือไม่ใช่ถอดบทเรียนหลายคนคงจําได้นะตอนเช้าหลวงพให้บทเรียนอะไรืจบลืมไปแล้ว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 ความรู้ที่ไม่สบายเกิดเราก็ไม่ได้ตามรู้ความชอบเกิดเราก็ไม่ได้ตามรู้ความไม่ชอบเกิดเราไม่ได้ตามรู้ตรงนั้นเรียวกว่าระหว่างกลางก็เป็นโมหะ <c oughs> ที่นี้หละถ้าความรู้สึกสบายเกิดเราก็ตามรู้ได้ความรู้สึกไม่สบายเกิดเราก็ตามรู้แบบ น, นั้นคนระหว่างการมันก็จะเป็นอะไรอ่ารู้ซื่อๆอเรียวกว่าอุเปกข า, ารตรงนั้นเป็นปัญญา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 ไม่ติดตามไม่ต่อเนื่องการตามดูตามรู้ดำเห็นไม่ต่อเนื่องอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัวสมมุติกับปรมัตดตัวสมมุติคิดแบบบัญญัติยางถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะั้นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตัวปรมัตดอย่างนี้เป็นอย่างนี้และตัวต่อไปอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวบัญยัติยางเป็นทั้งกุ้งเหตุและผลใช่ไหม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 ถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้อก็ถือว่าเราเดินตามร่องรอยของกันปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวได้ถูกต้องหลักสูตรก็บอกว่าสติปัญสีสมปสัญสีแล้วก็มาต่อด้วยอิทธิบาทสีเป็นองค์ธรรมที่ร่วมกันอันนี้หลักสูตรนะแล้วก็มาถอดบทเรียนออกมาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ทํำบทเรียนอันนี้ยซ้ําๆทุกวัน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 ไม่ชอบไม่เอาเพราะฉะนั้นจิตก็เปลี่ยนตลอดเวลาใช่หเพราะเหตุะไรจิตจึงต้องเปลี่ยนไปหาของใหม่แต่ไม่ชอบทำมันได้ซ้ำเพราะอะไรเพราะฮะเหตุให้เกิดทุกข์มีสามตัวคืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์มีสามตัวหนึ่งอยาก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 เหตุข hey, องมันก่อนที่เราจะมานั่งกันตรงนี้เราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนไหมเ ช, ชื่อว่าทำอย่างเงี้ยมันจะมันจา ม, มันจะทำให้พ้นทุกเคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมได้ยินจากใครใจะเจะ้า <laughs> <laughs> พระพระเยอะเลยก็เน่นะ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 และโดยสติสัญญาที่ยังมีความชัดเจนทุกคกกระบวนการของการเคลื่อนไหวมันเป็นตัวสมาธิทําให้เกิดสมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องนั่งนิ่งๆ่งสมาธิแปลว่าคำตั้งมั่นของจิตเมื่อเรายกแล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่ใปัจจุบันพั๊บมันก็เป็นสมาธิแล้วเพราะคําจํำวัดความหรือเดฟ i n i t i o n ของคำว่าสติมันคือหนึ่งทำไปแล้วรู้สึกโปร่งใสสบาย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 มันตกทีละห ย, ยดแต่มันตกบ่อยๆเป็นไงก็เต็มเล็กเต็มอ่างเต็มเขื่อนเต็มห้วยเต็มหนองเหมือนกันนะแต่รู้มันก็ตกมาเป็นหยดๆเหมือนกันรู้ทีเดียวเนี่ยแต่ไหลหยดถ้าหูจมูกลิ้นกายใจทีละหกหยดหกหยดรู้เข้าไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็สามารถเต็มตัวรู้มันก็เต็มตัวรู้เต็มรอบเมื่อไหร่ปับ๊บมันก็เกิดตัวปัญญา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 แล้วก็เข้าสอนมหาวิาลยต่อถึงอายุถึงสองร้อยก็ยังทํางานได้ต่อมีภรรยายี่สิบสามคนภรรยาก็าตายแลว้คลวคนแลว้วคนเราแต่ลูกหลานไม่รู้เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกในประวัติศาสตร์นั้นนะแต่รู้ว่ามีภรรยายี่สิบสามคนนะถึงตายเนะนะนี่ยอายุสองรอยหสิบห้านีุ่คนในประวัติศาสตร์